เรื่องาาพาดผ้าบังสุกุลบนต้นกลุ่มกัจสปะเราได้ดำริต่อไปว่าจะเพิ่งาาพาดผ้าบังสุกุลไว้ที่ไหนหนอลำดับนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ต้นกลุ่มทราบความดำริในใจของเราด้วยใจจึงได้น้อมกิ่งกลุ่มลงมากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาค โปรดทรงาพาดผ้าบังสุกูลไว้ที่กิ่งกลุ่มนี้เถิดต้นกลุ่มนี้ได้น้อมลงดุดจจะ ก, กราบทูลว่าโปรดทรงเอื้อมพระหัตมาเถิด